มีเรื่องเล่าว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเมืองอาราวีได้มีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจที่จริงเมืองอาลวีนี่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างนะที่ได้ถูกบันทึกไว้ในปไตายบิโตตอนนี้ก็คือที่ตอนที่พระองค์ได้แสดงธรรมเรียกว่าสนทนาธรรมอยู่นะกับลูกสาวช่างผูกหรือช่างทอผ้าซึ่ง มีความฉลาดอตอบคำถามของพระพุทธเจ้านี่คนอื่นไม่เข้าใจนะแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่เข้าใจแต่ภายหลังในการหลังการสนทนานั้นนางก็ได้บรรลุ ธ, ธรรมพระโสดาบันอายุก็ไม่มากนะสุดเจ็สิบแปดได้แล้วก็เสียชีวิตในวันนั้นอันนี้อีกตอนนี้ก็คือไม่ทราบว่าเป็นเหตุการณ์เดียวเหตุการณ์ในคราวเดียวกันหรือเปล่าก็คือว่าในเมืองนั้นเนี่ยมันมี ชาวบ้านที่ยากจนคนหนึ่งเมื่อรว่าผู้เจ้าเสด็จมาที่เมืองอาราวีก็ตั้งใจจะไปฟังธรรมในเช้าวันนั้นแต่เงินพอติบขึ้นมาพบว่าวัวนี่หายไปวัวหายไปก็เลยต้องไปตามวัวกว่าจะเจอวัวได้นี่ก็สายแล้วพอคิดว่ายังไม่สายเกินไปนะ้าที่ได้ไปไปไปฟ้าพระพุทธเจ้า ส่วนพทะเจ้าเมื่อไปเช้าวันนั้นเนี่ยเมื่อพระองค์ฉันพัฒกิจทําพัฒกิจเสร็จนะปกติท่านก็จะอ่าอนุมโมทนาแล้วก็แสดงธรรมแต่ว่าเช้าวันนั้นพระองค์กลับร อ, อกลับอยู่นิง่งไม่ได้อนุมโมทนาแล้วก็ไม่ได้กล่าวอะไรทั้งสิ้นบุคคลก็แปลกใจจนกระทั่ง อ่าชายเห็นใจคนนั้นนะจูงวัวมาแล้วก็มาเฝ้าพระเจ้าประโยคแรกที่พระองค์ถามก็คือว่าอาหารยังเหลืออยู่ไหมอาหารเหลือก็เลยให้ชายคนนั้นเนี่ยได้กินอาหารก่อนอคนเป็นร้อยก็รอนะรอชายคนนั้นกินอาหารจนเสร็จแล้วพระองค์ก็แสดงธรรม แสดงธรรมก็เป็นเรื่องที่เคยแสดงในที่อื่นมาแล้วนะมนุษย์กลุ่ิกาแล้วก็ตามด้วยอริสัตย์ีลนุษยพิกถาคือพูดถึงเรื่องของอานศีลแล้วก็สวรรค์สวรรค์นเนี่ยคืออันิี่สองของธาละศีลนะแล้วก็พูดถึงโทษของกามก็คือโทษของสวรรค์ น, นั่นแหละแล้วก็อันิี่สองของการออกจากกามในคขมับ แล้วก็ตามด้วยอะไร ส, สักสีชายผู้นั้นได้ฟังพิจารณาตามก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นกสุตตะปันเรื่องนี้ก็มีคําถามต่อมาว่าสมไมพระเจ้านะในวันนั้นเนี่ยถึงอทําทไม่เหมือนคราวอื่นๆก็คือว่ารับเอฉันทำปฏกรรมเสร็จแทนที่จะแสดงธรรมก็รอชายผูน้นี้แล้วก็รอแล้วเนี่ยไม่ได้แสดงธรรมทันทีก็ให้ชายผู้นั้นเนี่ยได้กิน อาหารเสริมอันนี้ก็คงเพราะว่าพระองค์ได้ตรนันกดีว่าถ้ายัางหิวอยู่นะจิตก็คงยังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมเมื่อได้กินอาหารแล้วใชพ้พวกนั้นก็จิตใจก็พร้อมกับการฟังธรรมเพราะว่าทุกขเวทนาหายไปแล้วทุกข เ, เวทนานี่บางครั้งมันก็ขัดขวางนะบีบพันจิตใจไม่ให้เปิดรับฟังธรรมะหรือว่า ใช้ปัญญาในการไข้ควรทำแต่พอว่าได้กินอาหารแล้วนะจิตใจสบายแล้วการฟังธรรมก็เป็นไปได้ง่ายในเหตุการณ์นี้ที่รู้จ้าตรัสว่าความผิวเป็นโรคอย่างยิ่งแล้วก็สังขารเป็นทุกอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลควรทำความเพียรเพื่อให้เข้าถึงพระนิพพานเพื่อให้ความเพื่อ้นจากถูก ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสําคาญก็เป็นทุกอย่างยิ่งอ่ออันนี้ก็เป็นเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะที่พระงแสดงธรรมหลังจากกินอาหารแล้วแต่ก็มีบางกรณีนะต้องแสดงธรรมก่อนกินอาหารนะอย่างพระเจ้าเศ็ยรที่โกสล น, นี่อ้วนมากะจนกระทั่งจะยืนจะนั่ง กราบ น, นี่ก็ลำบากเพราะว่าอยู่ดีกินดีพอมาประลบเรื่องนี้กับพระธเจ้าวันนี้มันขัดขับข้องโรงก็แสดงธรรมนะราผู้เป็นคถาสั้นๆว่าผู้มีสติทุกเมื่อนะรู้จักประมาณในการบริโภคก็จะสุดเวทนาเวทน า, ทน า, ทนาก็จะเบาบางนะแก่ช้าแล้วก็อายุยืนไระัาบเสนีิโกสนได้ฟังแล้วก็ชอบ ก็เลยให้มหาเล็กนี่จำเอาไว้นะจาคาถาเนี่เอาไว้แล้วก็ทุกมื้อนะก่อนจะกินอาหารก็ให้มหาเล็กนี่แหละกล่ลวาวคาถานี่นะสั้นๆ น, นะแต่ว่าพระเจ้าประเสริฐนิกรสนไม่รู้จําจไม่ได้หรือว่าอาจจะเป็นขงคิดหลงคิดลืมก็ได้ก็เลยต้องให้มหาเล็กท่องให้ฟังขอท่องให้ฟังเนี่ยพระเจ้าประเสริฐนิกรสก็จะได้สติทําให้กินอาหาร อ่าพอประมาณไม่กินต่างใจกิเลสก็ปรากฏว่าพอกินเบลพอกินพอประมาณรู้จักประมาณในการกินสุขภาพก็ดีขึ้นน้ำหนักก็ลดน้อยลงเดินเอินไปไหนมาไหนก็สะดวกก็ก็เลยชื่นชมในพระพุทธเจ้านะไปเฝ้าพระุทธเจ้าก็ตัดสระเสญว่าพูดพสัลเสนว่าพระพุทธเจ้าสอน ทั้งในเรื่องของทางโลกและทางธรรมสอนให้เกิดประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมคือผู้เจ้านี้ไม่ได้สอนแต่เรื่องพ้นทุกประเภทว่าพ้นจะวัตฏะสงสารนะแต่ว่ายัางสอนแม้กระทั่งเรื่องการกินการอยู่เพื่อให้ไม่เป็นโรคนะอสองเรื่องนี้ก็ตรงข้ามกันเลยนะสําหรับคนหิวนี่ก็ควรจะฟังธรรมควรจะกินอาหารก่อนถึงจะถึงจะได้ฟังธรรม จะได้ประโยชน์จากทำแต่คนที่เพลิดเพลินในการกินนี่ต้องฟังธรรมก่อนฟังธรรมก่อนถึงจะได้สติเราก็ถามตัวเองนะว่าเราอยู่ในประเภทไหนนะควรจะกินก่อนถฟังธรรหรือว่าฟังธรรมก่อนนะถึงค่อยกินอย่างมีสติแต่กรณีกรณีแรกของเรื่องชาวเมืองอารบีนี่ก็ชี้เห็นนะว่า เรื่องกายกระจายมันสัมพันธ์กันมากนะถ้ายัางหิวในการที่จะฟังทำมันก็เป็นเรื่องยากหรือแม้กระทั่งหิวแล้วเนี่ยจะประพฤติตัวเป็นคนดีก็อาจจะลำบากนะอันนี้ก็เคยเล่าไปแล้วในะเมืองว่าครูเจ้าเคยตรัดไว้ในสูตรสูตรหนึ่งนะพูดถึงเมืองเมืองหนึ่งซึ่งผู้คนนี่โดนทุรายเยอะมากนะทั้งคนทั้งฆ่า พระราชานี่เคยคิดว่าจะต้องเพิ่มโทษให้แรงขึ้นเช่นประหารชีวิตหรือว่าทรมานแต่พอไปปรึกษาพรามพรามก็บอกว่าทำอย่างนี้ทําให้มีโจรมากขึ้นพรามแนะนำวิ ธ, วธทีที่ดีกว่านั้นนะก็คือว่าให้พระพราชาเนี่ยนําเอาเคื่พันธัญญาหารไปแจกให้กับเกษตรกรอย่างทั่วถึงแล้วก็เอาเงินทุนเนี่ยไปแจกให้ทับ ไ ป, ไปเป็นทุนในการค้าให้กับ่าพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ให้เอาเงินนี่แหละเงินเดือนเนีน่ยไปใจ่ายให้กับอ่าพระราชการให้เท่าถึงถ้าทำเช่นนี้ได้นะอ ก, กิากรรมก็จะลดลงอ่าพระราชาก็ทําตามนะบอกว่าได้ผลจริงก็คือว่าโจรผู้รายลดลงอันนี้เพราะว่าอเนี่ยนะ เรีว่าพอพอมีพอกินไม่อดจัดไม่ลำบากนะจนผู้รายก็น้อยลงเป็นการลดจำนผู้รายโดยที่ไม่ได้ใช้อำนาจไม่ได้ใช้อาชญาไม่ใช่ไม่ต้องพิ่งโทษแต่ว่าใช้การกระจายโทกศัพท์ให้ทั่วถึงนะก็คือทำให้อิ่มท้องนั่นเองอันนี้ก็น่าแปลกที่ว่าพราหมณ์ก็ไม่ได้แนะนำว่าให้ไปเทศไปสอนยเยอะๆนะคนถึงจะมีศีลธรรม แต่เพียงแค่ว่าทําให้เขาไม่หิวโหยนะทํามาหากินได้สะดวกจนภูลาก็ลดลงอันนี้ก็เรื่องของศีลธรรมกับเรื่องปากท้องหรือเรื่องธรรมะการเกิดปัญญายห็งธรรมกับเรื่องของปากท้องก็สัมพันธ์กันนะาการจะเล่นแต่เรื่องธรรมะโดยที่ลืมเรื่องปากท้องนี่ก็อาจจะไม่ใช่วิธีการที่รอบดานเท่าไหร่แล้วก็เตรียมรับพร